ทั้งที่วันนี้เป็นวันที่หนึ่งแล้วนะคณะาสัตยาติโยมวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช 2,559 เป็นเดือนมีนาแล้วพระในวัดของเราขณะนี้35รูปแต่ถึงยังไงก็ตามคณาสัตยาติโยมวันนี้เป็นวันพระนะวันพระ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 เหมือนกับเราพยายามคัดน้ำขึ้นไปสู่จุดหมายปลายทางเราเราจะไม่ให้ใจใของเราไหลไปลงทางต่ำอยู่เสมออยู่ตลอดเราต้องพยายามฝื น, ฝนจิตฝืนใจถึงไม่อยากจะมาก็ต้องมาถึงจะไป ม, มาวัดก็พย <ses> ายามให้ไหว้พระให้ได้8คดข้ามสิห้าข้ารหังสวาคาโตสุปฏิปโนหาโอกาสหรือนั่งภาวนา